เรียนขันธบ พ, พานี้ได้อะไรบ้างจากขันธบั พ, พ้าบอกว่าเห็นโทษของขันขึ้นอิดบานอะาณขันนี่มันอย่างพระ อ, องค์ว่านะคู่ควรแล้วที่จะเบื่อนนายคู่ควรแล้วเพื่อจะพน้นเป็น อุะสักทั้งหลายปัญหาทั้งหลายมันเกิดจากขันเท่านั้นถ้าไม่เกี่ยวข้องกับขันนะมันไม่มีปัญหาเลยปัญหาที่แก้แก่กับบางอย่างก็แก้เพื่อรูปประคันบางอย่างก็เพื่อเวทนาขันบางอย่างก็เพื่อสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันแต่ว่ากล่าวเบ็ดเสร็จแล้วก็คือเพื่อขันนะนะหาขันเพื่อขันแต่งขันซ่อมขันบำรุงขันทําลายขันก็วนๆอยู่ในขันขๆนี่แหละ ซึ่งอาทิตย์หน้าใครมีเล่มยี่สิบเจ็ดก็เอามาด้วยนะตั้ ง, งกับวันจันทร์หน้าอาจจะเอาขันทวรวักมากล่าว เ, เล่ม่เขันทวรวักนเล่มยี่สิบเจ็ดเพราะว่าขันทวรวักพูดถึงเรื่องขันมีห ล, ลายๆสูตรที่ที่น่าสนใจมากนะทำให้เห็นขันชัดเจนขึ้นเพราะในสติปทานสูตร ท่านแสดงว่าย่อมากเนี่ยย่อจนทั่วๆไปเอาไปปฏิบัติตามไม่ได้อยู่นะถ้าไม่มีความรู้มาก่อนอะไรเลยเนี่ยนะฟังวันนี้รูปนี่ความเกิดของรูปนี่ความดับของรูปนี่เวทนานี่ความเกิดขึ้นของเวทนานี่ความเสื่อมไปแห่งเวทนานี่สัญญานี้ความเกิดขึ้นแห่งสัญญานี้ความเสื่อมไปแห่งสัญญานี้สังขารนี่ความเกิดขึ้นแห่งสังขารนี่ความเสื่อมไปแห่งสังขาร แรื่อวันนี้วิญญาณนี้ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณนี้ความเสื่อมไปแห่งวิญญาณนะซึ่งถ้าฟังแค่นี้แล้วก็โดยมากยากที่จะปฏิบัติตามได้แต่จริงๆแล้วสาระคำสอนก็อยู่ตรงนั้นจริงๆนะถึงจะพูดให้มากทั้งปไตยวิ덕ก็เพื่อให้เห็นอย่างนี้แหละนนแะแต่ว่าย่อๆเนี่ยถ้าเป็นลักษณะนี้กลุ่มบุคคลประเภทอุคติตันยูเขาจะฟังรู้เรื่องนนะ ทีนี้พระสูตรที่เราเอามาเรียนนั้นเป็นพระสูตรที่ที่แสดงกับกลุ่มคนมีปัญญาเนนะเป็นพระสูตรที่แสดงกับคนฉลาดเป็นเพราะว่ า, ส, า, า, นะาสูตรอย่างเขาจบแล้วเขาบรรลุเป็นหมื่นนะนะเขาพอจบสูตรหนึ่งบรรลุเป็นหมื่นได้นี่ก็ไม่ธรรมดาเพราะว่าถือว่าเป็นสูตรที่ที่ที่คนมีความรู้ความสามารถ แครว่าทุกคำนี่เขาฟังออกแกะออกหมดเล ย, อยของเราก็กว่าแต่ละคำจะมาแกะได้ก็ไม่ง่า ย, ยานะไอแกะได้ก็ลืมอีกอย่างเงี้ยนะองค์ประกอบมันเยอะจริงๆนี่ก็สังขารขันชนิดหนึ่งเหมือนกันเมื่อวานกล่าวถึงสัญญาเลยนะวันนี้สัญญ า, าก็คือสัญญาหมีรูปประสัญญาเป็นต้น กรูปสัญญาสัทธสัญญาคันธสัญญารสาสัญญาโพธภาษสัญญาและธรรมสัญญาอันี้ความเกิดขึ้นแห่งสัญญาก็คือเพราะภาษะเกิดนั่นแหละสัญญาจึงเกิดสัญญาทั้งหกนี้เกิดจากภาษาเนี่ยนีความเสื่อมไปแห่งสัญญาถ้ากล่าวง่ายๆเลยก็คือเพราะภาษาดับสัญญาก็ดับแต่คำว่าภาษาดับเพราะ เพราะภาษาดับสัญญาจึงดับในต้องมายหมายว่าดับตันหาด้วยนะดับตันหาด้วยอย่างเช่นเพราะภาษะเกิดสัญญาจึงเกิดนั้นหมายถึงตันหาด้วยนะทั้งตรงเกิดและตรงดับนี่ต้องบวกตันหาเข้าไปด้วยเที่มาขึ้นสังขารเรยว่านี้สังขาร น, น, น, นะนะทวันนี้สังขาร ถ้าทั่วๆไปพระองค์จะเอาเจตนาขึ้นมาอธิบายนะในฐานะเจตนาเป็นประธานแห่งสังขารทั้งหมดคือรูปประสันเจตน า, ส, าสัทธสันเจตนาคันธาระสะโ พ, พธะพระธรรมสันเจตนาเจตนาทั้งหกนี่แหละเป็นประธานแห่งสังขารขันธ์ทั้งหมดเลยเพราะเพราะว่าเจตนานี้ถ้าทั่วๆไปท่านนิยมแปลว่า ชักชวนและกระตุ้นเตือนสัมสัมปยุตธรรมให้ขึ้นสู่อารมณ์นะหมายความว่าตัวเองก็รู้อารมณ์ด้อารมณ์ด้วยแล้วก็กระตุ้นเจตสิกอย่างอื่นให้ให้รับรู้อารมณ์ทั้งหมดด้วยนะถ้าเป็นช่างเขาก็เป็นทั้งเขาทำงานด้วยนะเขาชักชวนคนอื่นทำด้วยถ้าเป็นนักเรียนห้องเราก็คล้ายๆผู้การนะตัวเองก็เรียนด้วยชวนคนอื่นเรียนด้วยนะลักษณะนี้ ตัวเจตนาเป็นลักษณะนั้นหรือเป็นหัวหน้าสิทธิผู้ใหญ่ยังไงนีตัวเองก็เรียนด้วยแล้วก็ชักชวนคนอื่นเอาด้วยหรือพวกช่างก็ถ้าแบบพวกหัวหน้าช่างนะตัวเองก็ทําชวนคนอื่นทําด้วยเจตนาเข้าลักษณะนั้นเขาเกิดขึ้นรู้อารมณ์เขาก็กระตุ้นเตือนในการรู้อารมณ์แก่เจตสิกอื่นๆด้วยเจตนานั้นหรือสังขารขันปรุงแต่ง ที่เราคุ้นเคยกันมากว่าสังขารขันคือการปรุงแต่งถามว่าปรุงแต่งอะไรบอกปรุงแต่งขันห้าเลยหปรุงแต่งขันทั้งห้าถามปรุงแต่งขันทั้งห้ายังไงถ้าโดยสัมปยุตต ป, ปจัจจัยเจตนาเวลาเกิดขึ้นก็ทำจิตตะชรูปอย่างเจตนาที่นะเช่นที่กำลังพูดอยู่นี้นะเจตนาเป็นปัจจัยให้เปล่งคำพูดเปล่งออกมาเือว่าเจตนาอันนี้เปล่งรูปประขัน แม้กระทั่งกิริยาสีหน้าท่าทางแววตาทั้งหมดมีเจตนาเป็นปัจจัยนันเจตนาตัวนี้จึงป ร, งปรุงแต่งรูปเนี่ยนะปรุงแต่งเวทนาด้วยใช่ไหมเพราะว่าในขณะที่เจตนาเกิดขึ้นก็มีเวทนาเกิดร่วมด้วยเนี่ยนะปรุงแต่งอ่ปรุงแต่งสัญญาปรุงแต่งสังขารคือสัมปยุต ธ, ธรรมอื่นๆแล้วก็กระตุน้นเตือนให้จิตเกิดขึ้นเพราะฉะนั้น เจตนาที่เกิดขึ้นนั้นทำให้ขันทั้งห้าเกิดขึ้ น, น, นแต่ผู้ที่เรียนปัจจัยมาแล้วก็บอกว่าโดยสหชาติปัจจัยนี้เข้าฟังเข้าใจเล ย, ยโดยสหชาติปัจจัยหรือโดยกรร ม, มปัจจัยที่เรียกว่าสหชาติกกรรมะแต่ที่เราเรียนไปแล้วเนี่ยนะยกนิวรห้าเป็นหลักนิวรทั้งห้าก็คือสังขาร สังขารขันนิวรห้าเป็นสังขารขันที่เป็นอกุศลใช่ไหมนี้การมาชันท่านิวร น, นี้พยาบาทนิวร น, นี้ทีนะมิท่านิวร น, นี้อุทะจะกุกุจานิวร น, นี้วิจิกิจชนิวรนนี่บอกนิวรทั้ง5้าก็เป็นสังขารขัน ถ้าบอกว่านี้สังขารขันนี้สังขารก็บอกว่านี้การมาฉันทะพยาบาททีนมิทะอุทะจักุกุจักวิจิกิจฉานั่นแหละแต่บอกนี้ความเกิดขึ้นของสังขารนะการมฉันทะเกิดได้ยังไงนี่ความเกิดนะพยาบาทเกิดได้ยังไงทีนมิทะเกิดได้ยังไงอุทะจักุกุจักเกิดได้ยังไงวิจิกิจฉาเกิดได้ยังไงนะก็อโยนิโสมนัสิการนั่นแหละเป็นปัจจัย อกุศลธรรมทั้งหลายเหล่านั้นจึงเกิดขึ้นนี่น่ะนิวรณ์ทั้งหลายเกิดขึ้นก็เพราะอยโยนิสโสมนัิการถ้าอยโยนิสโสมนัิการในโสภานิมิตการมฉันท่านิวรณ์เกิดถ้ายโยนิสโสมนัิการในปฏิฆานิมิตพยาบาทนิวรณ์ก็เกิดถ้ายโยนิสโสมนัิการในอารติเป็นต้ น, นถีนะมิทักษก็เกิดถ้ามานัิการในอวุปัสมะ อุทจักกุกุจักก็เกิดถ้า อ, อโยนิโสมนัสิการในธรรมะเป็นที่ตั้งแห่งความสงสัยวิจิกิจฉานิวรณ์ก็เกิดนั่นนะอันนี้คือเรื่าเหตุเกิดของนิวรณ์นี้ความดับไปแห่งนิวรณ์เหล่านั้นน่นนะก็ต้องโยนิโสมนัสิการโยนิโสมนันสนิการในอาสุภานิมิตอันนี้ก็เพื่อดับการมฉันทานิวรณ์ถ้าโยนิโสมนัสิการใน เมตตาเจโตวิมุตต์อันนี้ก็เป็นความดับของพยาบาทนิวรณ์ถ้าโยนิโสมนัสิการในความเพียรเนี่ยนะอารัพธาตุนิกรรมาธาตุเป็นต้นนะโยนิโสมนัสิการในธรรมะเหล่านั้นให้มากอันนี้ก็เป็นปัจจัยเพื่อละถีนมิธานิวรณ์นะนะหรือว่าการใส่ใจในวูปัสมะความสงบด้วยสมะถะและวิปัสนาทั้งหลายอันนี้ก็เป็นไปเพื่อดับอุทจักกุกกุจานิวรณ์ ถ้าน้อมไปที่จะเลื่อมสายในพระพุทธเจ้าโยนิโสมนสิการไปในคุณของพระพุทธเจ้าเป็นต้นอันนี้ก็เป็นไปเพื่อละวิจิกิจฉานิวรณ์เนี่ยนะันก็บอกว่านี้ความดับสังขารขันก็ว่าเป็นอย่างๆไปเนี่นยนะนะว่าสังขารคืนนอนิวรณ์หเกิดได้ยังไงสังขารคือนิวรณ์หจะดับได้ยังไงถ้าอย่างนี้ก็ถือว่ารู้ว่านี้ความเกิดของสังขาร น, นี้ความดับของ สังขารทีนี้ถ้าธรรมะกลุ่มอื่นบ้างอะที่เป็นฝ่ายดีเช่นพ่อชงทั้งหลายนภ่พชงก็เป็นสังขารขันนะตั้งแต่สติสัมโอชงธรรมะวิจยาสัมโอชงวิริยะสัมโอชงปีติสัมโอชงปัสสัินนะสมาธิอุเบขาสัมโอชงโภอชงทั้งหลายก็เกิดจากอาหารเกิดจากปัจจัยนั น, นะ แล้วก็ถ้าจะบริบูรณ์ก็บริบูรณ์ขึ้นด้วยปัจจัยถ้าสิ้นปัจจัยเหล่านั้นพ่อชงก็ไม่เกิดซึ่งพ่อชงบัพพะเราจะได้ศึกษากันในครั้งต่อไปนั่นแหละพันพชงทั้งหลายก็เกิดเพราะอาหารเกิดเพราะปัจจัยเพราะโพ่ชงนี่เป็นสังขารขันมรแปดนี่เป็นสังขารขันหมดเลยนั่นแหละมรมรมีองค์แปดนี่เป็นสังขารขันซึ่ง ต้องปรุงแต่งต้องใครที่จะรู้เหตุเกิดของสังขารขันโดยเฉพาะมักมีองค์แปดนี่ก็เก่งมากนแะแต่ถ้ามักเสื่อมนี่ไม่ยากใช่ไหมมักเสื่อมนี่ง่ายมากเสื่อมจากทิฏฐินี่ก็เลิกเรียนเลิกคิดเลิกตรึกเลิกพิจารณานะอวิชาก็เข้ามาอาวิชาก็เป็นสังขารขันอีกเหมือนกันนี่นะนก็ปรุงอยู่ตลอดมันนี้สังขารก็สังขารขันเนี่ยนะก็ทั้งที่เป็นกุศล ทั้งที่เป็นอกุศลถ้าอากุศลนั้นจะเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วก็ถ้าจะดับอกุศลหลับดับนั้นดับได้ยังไงถ้ า, ากุศลกุศลจะเกิดขึ้นได้ยังไงถ้าจะให้พอกโพลเนี่ยพอกโูลได้ยังไงบอกว่าอาอกุศลดับได้ยังไงอันนี้ง่ายมากเพราะปกติสัตว์ทั้งหลายดับอกุศลอยู่เออดับกุศลอยู่แล้วทุกครั้งที่คิดไม่ดีทั้งหลายเนี่ยคือการดับกุศลทั้งนั้นลนั่น เพราะว่าไอ้ข้อปฏิบัติเพื่อดับกุศลนี้ถือว่าทุกคนเจริญเป็นปกติเนี่ยนะอันนี้ไม่ต้องไม่ใช่มิจฉามักเนี่ยเจริญเป็นอัธยาศัยอยู่แล้วโดยมากเพราะฉะนั้นถ้าเป็นกุศลนะจึงไม่ต้องบอกว่านี่กุศลดับอย่างเงี้ยไม่ต้องเพราะว่าปฏิบัติเพื่อความดับกุศลเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วเทมาขึ้นวิญญาณบัางเลยนะว่านี่วิญญาณถ้าบอกนี้วิญญาณก็ยังไงล่ะ ก็จักขูวิญญาณโสตะวิญญาณคานะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายะวิญญาณนั่นแหละมโนวิญญาณก็วิญญาณ6กนั่นแหละบอกนี่วิญญาณก็คือวิญญาณหกนนะจักขูโสตะคานะชิวหากายและมโนวิญญาณหรือถ้าพิสดารขึ้นกว่านั้นก็จิต16เลยใช่เมื่อจิตมีราคะก็รู้ชัดว่าจิตมีราคะนั่นแหละก็เป็นวิญญาณนี เมื่อจิตปราศจากราคะก็รู้ชัดว่าจิตปราศจากราคะเมื่อจิตมีโทสะก็รู้ชัดว่าจิตมีโทสะจิตที่ปราศจากโทสะก็รู้ชัดว่าจิตปราศจากโทสะจิตมีโมหะก็รู้ชัดว่าจิตมีโมหะจิตปราศจากโมหะก็รู้ชัดว่าจิตปราศจากโมหะจิตหดหูก็รู้ว่าจิตหดหู่จิตฟุ้งซ่านก็รู้ว่าจิตฟุ้งซ่านจิตเป็นมหคตาก็รู้ว่าเป็นมหคัตไม่เป็นมหคัตก็รู้ว่าไม่เป็นมหคัต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 ถ้าพิสดารหน่อยก็จิต16อย่างที่เรียนในจิตตานุปัสสนาแล้วบอกนี้ความเกิดขึ้นของวิญญาณวิญญาณจะเกิดได้ยังไงก็บก่าเพราะนามรูปเกิดวิญญาณจึงเกิดถ้ายัางจักคูวิญญาณจิตเห็นเนี่ยที่เกิดเนี่ยเพราะนามรูปถ้าเพราะมีอะไรเพราะมีตาเพราะมีสีมีแสงสว่างอันนี้เป็นรูป นะพวกภาษาเวทนาสัญญาเจตนาอันนี้เป็นนามนามเหล่านี้นี่แหละเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณนั่นะนะก็กล่าวเป็นทาวารทาวารไปนะคำปีวิสุทธิมัติเวลาเรียนเรื่องขันพอจบรูปประขันท่านขึ้นด้วยวิญญาณัขันก่อนนั่นะนะถ้าเป็นวิสุทธิมัติเขบอกว่า ในฐานะเป็นประธานของคันที่เหลือลละ ง, ง่ายเพราะนามรูปเกิดนะวิญญาณจึงเกิดก็แยกศับว่านามกับรูปรูปนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างมหาภูตรูปสี่อุปาทายรูป ตามสมควรแก่มหาภูตรูปนั้นนั้นัน่นมหาภูตรูปและอุปาทายรูปเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นตัดใ จ, จที่สำคัญของวิญญาณนั่นะแล้วก็ตัวที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือสัมปยุตรธรรม สัมปยุตธรรมนั้นหมายถึงธรรมะที่เกิดร่วมกับวิญญาณนั่นนะที่คุ้นเคยกันอยู่แล้วก็คือภาษะเวทนาสัญญาเจตนาเอกขตตาันนชีวิตินทรีซีและมนสิการอันนั้น นามเหล่านี้ถือว่าเป็นปัจจัยที่ที่สำคัญต่อต่อวิญญาณทุกดวงเนี่ยนะต่อความคิดทุกความคิดนะนะเพรา ะ, ะ น, น, นามกับรูปมีนั่นแหละวิญญาณจึงเกิดขึ้นนะวิญญาณจึงเกิดขึ้นอันนี้เป็นการกล่าวแบบรวมๆมนะ แต่ถ้ากล่าวแยกก็ต้องมาแยกตามตามทวาร น, นั้นๆไปเช่นว่ารูปทั้งหลายเหล่านี้คือรูปที่เป็นเนี่ยนะรูปนี้ก็มาแบ่งองนะรูปที่เป็นจักสุเนี่ยนะรูปที่เป็นรูปารมเนี่ยนะรูปที่เป็นจักษุนั้นเป็นปัจจัยแก่จกักขูวิญญาณโดย อะไรวัตถุเนี่ยนะเป็นปัจจัยโดยความเป็นวัตถุของจักุวิญญาณส่วนสีหรือรูปารมณ์เนี่ยนะในฐานะเป็นอารมณ์ของจกักรวิญญาณเ่นะแล้วก็ที่สำคัญมากเช่นพวกมนศิการนะเจตสิกอ่ะนะจริงอะ่ะมนัสาก็แปลว่าใจอ่ะนะมนาการก็คืออาการที่ทำไว้ในใจ มันเป็นเจตสิกอีกหนึ่งดวงอ่ะที่ที่สำคัญต่อการทําให้จกักขูวิญญาณเนี่ยเกิดหรือแม้กระทั่งภาษะเวทนาสัญญาเจตนาเนี่ยสัมปยุตรธรรมพวกนี้เป็นปัจจัยแก่แก่วิญญาณนั่นนะแล้วก็ทุกทวารอย่างนี้เลยทุกทวารหมดเลยถือว่านามรูปเป็นปัจจัยแก่แก่วิญญาณหมดเลยทุกๆทุก ท, กทกวิญญาณนะทุกๆจิตนี้ต้องอาศัยนามรูปเว้น ในอรูปประพรมอรูปประพรมนั้นนามเป็นปัจจัยแก่เป็นปัจจัยแก่วิญญาณอย่างเดียวนั่นเองส่วนภพที่เหลือต้องนามนามกับรูปเป็นปัจจัยแก่วิญญาณหมดเลยไม่ว่าวิญญาณนั้นจะเป็นวิญญาณไหนก็ตามเห็นไหอย่างน้อยถ้าเป็นปัญจโวการภพต้องอาศัยรูปที่เป็นวัตถุเนี่ยนะถ้าไม่มีวัตถุนามทั้งหลายเฉพาะวิญญาณนี้เกิดไม่ได้ อย่างเช่นฌานจิตเนี่ยถ้าเป็นคนป่วยเลยเนี่ยจะเข้าฌานไม่ได้บางคนเนี่ยป่วยเนี่ยเข้าฌานไม่ได้ได้ฌานสี่อย่างชํานาญอยู่แล้วนะรูปมันป่วยขึ้นมานีมันมันเข้าฌานไม่ได้เพราะว่ามันด้วยปัจจัยหลายๆด้านนะนะก็รูปมันไม่คู่ควรด้วยมันไม่ได้สปายยะถ้าป่วยนะถ้าป่วยหนักๆจริงๆเนี่ยบางคนเนี่ยเข้าฌานไม่ได้ เนี่นนะอย่างพระพิสุไปเยี่ยม أ, พระผู้มีพระภาคไปเยี่ยมพระพิสุรูปหนึ่งนี น, นะไปะเยี่ยมท่านบอกว่าเป็นยังไงมีอะไรเดือดร้อนใจไหมเธอไม่เดือดร้อนใจเรื่องศีลเลยหรือบอกข้าพระ อ, องค์ไม่เดือดร้อนใจในเรื่องศีลแต่ข้าพระ อ, องค์นีเ้เสื่อมจากสมาธิมาคือคือคำว่าเสื่อมแปลว่ามันเข้ามันเข้าไม่ได้เหมือนเดิมอ่ะ น, นะก็ถือว่าเสื่อมก็ลองไม่สบายแล้วอ่านพระไตรวิฎกดูเอ ไม่ต้องชานหรอกหรือไม่ก็สวดอิติปิโสนะตอนสุขภาพดีๆนี่ยสวดคล่องอะนะพอป่วยเข้าหน่อยเนี่ยนะปวดฟันเนี่ยนะอิติปิโสไม่ค่อยจบมั้งจบไม่จังเคยตอนถ้าป่วยไม่ค่อยจบอะนะนั่นแหละปฏิฆานิมิตมนาสิการในไอปฏิฆาณิมิต ท, ทีก็ไม่ค่อยจบแหละ มังบอกว่านี้วิญญาณ น, น, นะนะก็ต้องนามรูปเป็นปัจจัยให้เกิดนะบอกนี้ความเกิดของวิญญาณแล้วก็นี้ความเสื่อมไปแห่งวิญญาณก็ถ้านามรูปทั้งหลายเหล่านั้นดับไปวิญญาณก็ดั บ, น, น, นะ น, น, บนั่นะในขันธบพะเนี่ยนะก็พยายามระลึกถึงคำสอนแต่ถ้าคนที่บัพะ อ, อื่นๆก่อนหน้านี้นะศึกษามาดีแล้ว โดยเฉพาะตั้งแต่กายานุปัสสนาก็ทั้งสิบสี่บัพพะนี่ก็แม่นเวทนาก็แม่นเนี่ยนะเรียนเข้าใจมาเป็นอย่างดี้หรือจิตตานุปัสสนาก็แม่นนิวรบัพพะก็แม่นแล้วมาลองปรารถถึงอุปาขันธบัพพะอย่างนี้วันนี้รูปลองคิดดูจะคิดอะไรออกมั่งนะนี้รูปที่เรียนมาคิดอะไรได้บ้างเนี่ย น, นี้ความเกิดขึ้นของรูปมองเห็นรูปประขันในวัฏฏะเลยไหม นี้ความเสื่อมไปแห่งรูปเนี่ยนะว่าเอ้รูปจะดับดับรูปเหล่านั้นเนี่ยดับได้ยังไงนี้เวทนาอย่างเงี้ยบอกท่านนี้เวทนาก็คือเวทนาทั้งที่มีอัมิตรไม่มีอัมิตรที่อาศาัยรูปทั้งหลายเหล่านั้นนั้นเกิดนี่ยนี้ความเกิดขึ้นแห่งเวทนานี้ความดับไปหรือความเสื่อมไปแห่งเวทนานี่ถ้าจะดับเวทนาเหล่านี้ได้ทั้งหมดดับยังไง นี้สัญญาเนี่ยนะก็ไล่สัญญาทั้งหมดเช่นรูปสัญญาเป็นต้นนี้ความเกิดขึ้นแห่งสัญญานี้ความดับไปแห่งสัญญานั่นแหละนี้สังขารนี้ความเกิดขึ้นแห่งสังขารนี้ความดับไปแห่งสังขารนี้วิญญาณเนี่ยนะจิตทั้งหมดนี้ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณนี้ความดับไปแห่งวิญญาณ ถ้าถ้ามองให้มันเป็นรูปธรรมหน่อยนะเออนี้นายกนายกเนี่ยพ่อแม่คือใครเนี่ยนะถ้าจะว่ า, างี้ให้ชัดเลยนะก็มองขันแต่ละคนเหมือนคนหนึ่งคนกันละกันอย่างเงี้นะแล้วก็คิดเออนี่มันเกิดมายังไงแล้วอายุมันเท่าไหร่เนี่ยนะเป็นต้นนะนะก็เอามาคีดแบบเนี้ยบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆยเข้า อ, อันนี้เป็นเป็นการเจริญขันถ้าบัพพะเนี่ยนะ นี่คือจกักปูวิญญาณก็อหมายรวมถึงรูปารมณ์เท่าเทียกับรูปเทือกโดไม่ต้องพูดถึงรูปารมณ์คือวิญญาณขันเนี่ยมันเป็น<า>ขันที่ห้าอยู่แล้วเป็นขันที่ห้าว่านี้รูปนี้เวทนานี้สัญญานี้สังขาจรจึงบอกว่ า, ว น, วญญญานี้วิญญาณ <c ười> นี้วิญญาณนั่นแหละคือและอย่างขันห้านะมันไม่มีใครรู้จักขันใดขันหนึ่งโดยที่ไม่รู้จักขันอื่นถ้ารู้จริงนั่นแหละ เหมือนกับคนเขานั่งอยู่ห้าคนเนี่ยนะนั่งอยู่ด้วยกันนั่นแหละหคนอะ่ะถ้าบอกว่าถ้าเห็นคนนั้นอีกสี่คนไม่เห็นนี่มันก็เกินไปเหมือนกันนะนะเช่นถ้าพิจารณารูปจริงๆนะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็อยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละเช่นพิจารณารูปในฐานะเป็นอารมณ์เออนี่รูปสีนะสีเป็นอา ร, รมณ์ปัจจัยของอะไรเนี่ยนะเกี่ยวเนื่องกับนามยังไงอย่างงี้ยนะผู้ที่เจริญหรือผู้ที่พิจารณาเขาต้องรอบรู้เรื่องนี้อยู่แล้ว ในชั้นต้นเนี่ยนะการพิจารณาเหล่านี้เขาอยู่ๆไม่ใช่ว่าจับคนไม่รู้เรื่องรู้ราวให้มาคิดเรื่องนี้อยู่แล้วต้องเป็นคนที่ศึกษาคำสอนมามากเลยแล้วจึงจึงมารขครัควรสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะ อ, อนคือคื อ, คอมั น, น่หัวข้อว่า ข, ขันบันะที่ี่รว่ามันแต า, าคเออมาจาก ข้อแรกก็นิวรนคือธรรมานุปัสสนาเนี่ยนะมีอยู่ห้าบัพพะบัพพะที่หนึ่งนิวรบัพพะบัพพะที่สองขันธบัพพะขึ้นสองมายังไงมนะั้งก็สังขารเช่ น, เ ช, นเช่นเมื่อกี้ยกว่านิวรน นิวรธานั่นแหละนี้สังขารนี้เกิดคือเหตุเกิดมีความเกิดขึ้นของสังขารก็คือนิวร์พวกนั้นมันเกิดได้ยังไงนี้ความดับไปแห่งสังขารว่าเช่นนิวณ์เหล่านั้ น, น, นจะดับได้ยังไง systematic. อันนี้นี้ยกตัวอย่างว่าเช่นนิวร์แล้วโพดชงอ่ะเช่นสังขารคือโพดชงเนี่ยนะคือสังขารเนี่ยเป็นสัพ์กว้างเป็นกุศลก็ได้อากุศลก็ได้อ่ากว้าง แต่ถ้าเรียนบัพพาที่แล้วมาดีคือนิวรบัพพาวะนี่สังขารก็คือนินิวรห้ า, าก็เวทาน า, า, น า, ท า, นาก็ไม่ใช่สังขารนะก็ขันมันมีห้าไม่ได้มีขันเดียวเนี่ย น, นะแต่ถ้ารู้จักเวทานาดีจริงอ่ะนะจะต้องรู้สัมปยุตธรรมของเวทานาด้วยเช่นว่าเนี่ยสุขเวทานาเกิดขึ้นนะ ถ้าคนที่รู้จักสุขเวทนาจะเริ่มพิจารณาไว้สุขอันนี้มันมีอมิตรหรือไม่มีอมิตรเช่นว่าเอ๊ะความสุขนี่เกิดจากโลภะนะอันนั้นก็สังขารแล้วใช่ไหมโลภะก็คือสังขารความสุขอันนี้เกิดจากการเจริญกุศลนะเกิดจากเนคขมมะเกิดจากอะโลภะพวกนี้จะเป็นสังขารเช่นนี้ทุกเวทนาเกิดขึ้นความทุกเกิดขึ้นนะเสียใจเกิดขึ้นอ่ะเสียใจเพราะอะไรเพราะความกโกรธไ ง, ไงตัวความกโกรธก็เป็นสังขาร หรือว่าเสียใจเพราะอย่างอื่นไปเนี่ยนะเสียใจเพราะเดือดร้อนใจหรือเพราะไม่สบายใจในบางอย่างเป็นกุกุจะก็ก็กล่าวไปตามนั้นนั้นไปเนี่ยนะเนี่ยก็ในการพิจารณาจริงๆก็นับว่าไม่ง่ายแต่ถ้าร้าแบบชาชกกสูจะไม่ค่อยยากนักเนี่ยนะ เช่นว่าอาศัยจากสศุกับรูปเกิดจากขูวิญญาณธรรมะสามอย่างประชุมกันเป็นภัสสะไอภัสสะนั่นแหละคือสังขารนั่นไงอาศัยหูกับเสียงเกิดโสตวิญญาณธรรมะสามอย่างประชุมกันนะเป็นภัสะไอผัสะที่กระทบกันนั่นแหละเป็นสังขาร คือสังขารบางอย่างเป็นกุศลสังขารบางอย่างเป็นอกุศลก็คสัมปยุตธรรมเนี่ยกว้างกว้างกว้างกว่าสังขารก็ใช่แต่ว่ามันกว้างนั่นง สับเนีย่ยกว้างมากเชนนิวอนเนี่ก็คือสังขาร น, นะนะว่าง่ายๆเลยนะสังขาค ร, ค, รขาคืออะไรคือนิวอสังขารคืออะไรคือโพดชงอะ่ะนิวอนเข้าใจง่ายไหมล่ะหรือโพชชงเข้าใจง่ายไหมนั่นแหละถ้ารู้จักสังขารจริงก็คือรู้จักนิวอนอ่ะถ้าที่สังขารที่เป็นอะกุศลนะนะถ้ารู้จักสังขารที่เป็นกุศลก็คือรู้จักโพดชงนะนะั่นแหละหรือรู้จักสติทั้งหลายสติปฐานเป็นต้นเน่ยนะเป็นอย่างดีพวกนี้เป็นสังขารขันทั้งนั้นนั่นะ